ต่อ น, นี้ไปพึงพากันตั้งใจเราน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นให้มันได้น้อมสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าออกให้ไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันคิดอย่ามีตกวิยจา์ นี่เป็นบทเบื้องต้นนะของการภาวนาถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วใจสงบลงไม่ได้เลยมีแต่มันเล่ร่อนไปเรื่อยอมันจะบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็ออกไปอยู่ข้างนอกนูน่นมันใช่ไม่ได้พุทโธก็ต้องให้อยู่ภายในปัจจุบัน มันจึงใช้ได้ดังนั้นนะทุกคนได้จํจำไว้ให้ดีอันแนวทางที่เราจะฝึกกิจให้มันสงบลงไปได้มันต้องจับตั้งแต่ต้นทางไปเราจะไปจับเอากลางทางปลายทางไม่ได้เพราะว่า ลมหายใจเข้าออกนี่เป็นชีวิตเป็นเครื่องหมายของชีวิตยังเป็นอยู่นี่นะวันนี้ชีวิตนี่มันรวมทั้งกายและจิตเข้าใส่กันเรียกว่าชีวิตถ้าร่างกายมันทุดโทมมันใช้ไม่ได้แล้วจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้ ก็ต้องถอนตัวออกไปเกิดหมายความว่าชีวิตตักใสสำนวนหนึ่งท่านว่าไว้นั่นเนี่ยก็คือตายนั่นเองดังนั้นแล้วตัณหาความทยานอยากมันก็จะได้เบาลงเมื่อมามองเห็นชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่ง น้อยจริงๆนะคิดดูให้ดีเกิดมาไม่ทันไรความปรารถนาที่ตั้งไว้ในใจว่าจะทําอย่างนู่นทําอย่างนี่ให้สําเร็จผู้คลองเรือนก็ดีปรารถนาที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้ท้าวรให้ลูกให้ล้านได้อยู่อาศัยจะสร้างหลักฐานให้มั่นคง ทำไปทำไยไม่ทันได้บางคนนะไม่ทันได้เป็นไปดังความมุ่งหมายก็มาจบชีวิตลตงเสียก่อนนี่มันจะมีความสุขสบายได้ยังไงแล้วในเมื่อความตายมาตัดรอนเสียก่อนแล้วเนื้อจะทะเยอทยานอยากอะไรต่ออะไรมากนักในโลกนี้ จะต้องมีอุบายสอนใจตัวเองเพราะตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยมเมื่อพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันจึงมีแก่ใจในอันที่จะควบคุมจิตของตัวเองไม่ให้ไปเกาะไปคล้อง ไม่ให้ตกเป็นทาสของตัณหาถ้าไม่รู้ความจริงของชีวิตอย่างว่านี่แล้วมันสำคัญว่าชีวิตนี่ยืนยาวนานเมื่อมันสำคัญผิดอย่างนั้นตัณหามันก็กำเริบขึ้นในใจมันก็ให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดโดยเฉพาะเป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้ว ได้รับความสุขสบายแล้วอย่างนี้มันยิ่งคิดหลายปัญหามันยิ่งประดังประเดขึ้นมาเมื่อตนได้รับความสบายในนึกว่าไปบริโภคกรมคุณก็จิตสบายไปเย่าง น, นี้ความคิดของเพื่อนเนีแ่แหละความสบายชั่วคราวนี่นะมันเป็นเยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุกข์ก็เคยพูดอยู่บ่อยอยู่แล้ว นนะอย่าอย่าลืมอย่าลืมเหยื่อร่อได้นอนสบายได้ฉันมีอาหารมีรถมีชาติอร่อยดีแล้วก็ไม่ได้กมพ้นทนแดดทำการทำงานอะไรนี่นะนี่แหละความสุขชั่วคราวนะให้เข้าใจเมื่อมันได้ความสุขสบายในนะนั้นเนี่ยมันเป็นทางของตัณหานะ ด้วยงั้นดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ประกอบความเพียรให้มันเห็นทุกข์เห็นภัยอยู่เสมอวันดีคืนดีก็อดนอนเอ้าไม่นอนมันคืนนี้อย่างนี้นะอธิษฐานลนุไว้แล้วก็เดินบ้างนั่งบ้างยืนบ้างเอาอยู่นั่นถ้านั่งก็ดูหนังสือบ้าง เขียนหนังสือบ้งอางทำลงไปเพื่อไม่ให้มันง่วงมันเหงามันไม่ได้อะไรก็ตามนะเพียงแต่ว่าขาจัดความง่วงเหงาให้มันได้เสียก่อน น, นี้มันก็มันจะเป็นหนทางอันหนึ่งที่จะสกัดกั้นอำนาจแห่งตันหาไม่ให้มันลุกลามขึ้นในใจ ถ้าผูใ้ใดกลัวแต่เจ็บแต่ป่วยกลัวแต่ตายอยู่เช่นนี้แล้วมันต้องตกเป็นธาตแห่งตันหาแน่นอนทีเดียวอันนักบวชนี่ให้คิดดูให้ดีความจริงเนี่ยชีวิตของแต่ละชีวิตจิตใจแต่ละดวงตกเป็นทาตแห่งตันหามา น, นนมานาทิฐิอนิมานนนับชาตินับภพบไม่ทวนแล้ว เมื่อไรแล้วจึงจะตื่นตัวสักทีมานะความกระด้างกระเดืองไม่ต้องการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าไม่อ่อนน้อมต่อพระธรรมคำสอนอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสกั้นกลางไม่ให้จิตก้าวหน้าไปได้ ให้พากันพิจารณาดูให้ดีโทษของมานะทำใจแข็งกระด้างกระเดื่องนี่มันร้ายกาจจริงๆนะอย่าให้มันผ่านความรู้สึกไปเสียเปล่าต้องเอามาวิจารณ์เอามาพิจารณาดีให้ละเอียดถี่ท้วนในใจใคนถือตัวถือตอนนี่ มันจะดำริอย่างนี้ว่าอวิในข้อนี้เราไม่ชอบใจไม่ปฏิบัติออย่างนี้ธรรมะอันนี้เราไม่ชอบใจไม่พิจารณาไม่ทําตามอืมนี่ลักษณะของมานะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้โกงกันข้ามลักษณะของผู้รถละทิฐิมานะลง เมื่อพระวินัยบัญญัติไปอย่างไรแล้วเราก็ต้องน้อมลงปฏิบัติตามนี่ยอมปฏิบัติตามไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายของตัวเองแม้จะยากลำบากอย่างไรก็ยอมเอาทุกเป็นทุนเพื่อปฏิบัติตามพระวินัย ธรรมะก็เหมือนกันเช่นพระองค์สอนให้ว่าวิเยณะทุกขามจเจติผู้จะร่วงพ้นจากทุกได้เพราะความเพียร น, นังนี้เช่นนี้ก็แสดงว่าการที่บุคคลจะมาละกิเลสให้หมดไปไวๆนัยนยมเป็นไปไม่ได้ตามพระพุทธภาษิข้อนี้นะอันนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเรา ก็เพราะว่าตนบำเพ็ญบุญกุศลหรือฝึกฝึกตนมาน้อยทั้งแต่ชาติของหลังมาก็ดีเช่นนี้แล้วเกิดมาชาตินี้นะจะมาทําความเพียรเพียงนิดหน่อยจะให้กิเลสตัณหามันหมดไปสิน้นไปไวไม่ไปได้ยังไงอ่ะก็ต้องให้นึกอย่างนี้ต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ภาคเพียนไปอย่างมันนี้ เมื่อเราภาคเพียรพยายามปฏิบัติไปภาวนาไปเอาชนะกิเลสเป็นครั้งเป็นคราวไปใจสงบลงได้แต่ละครั้งละคราวอินทรีย์มันก็ค่อยแก่ขึ้ น, ม, นมันไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเดืองมานะถ้าุคคลใดไม่มีความภาคเพียรเอาชนะกิเลสอันเป็นเครื่องสกัดขั้นไม่ให้จิตใจสงบลงไปได้ เช่ น, นี้อินทรีย์มันก็ไม่แก่ทักทีแล้วไม่แก่ให้เข้าใจแล้วเกิดไปชาติใดก็จะอ่อนแอเท่าแท้อยู่อย่างนี้เขาจะต้องตกเป็นแทสะ า, าตอของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนี้แหละเอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้สักทีชักชาติมันจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่สักที่ชาติก็เอาชนะกิเลสตัณหานี่ไม่ได้ ฉะนั้นขอให้เข้าใจตามนี้แล้วก็หวนระลึกอย่างที่ว่านั่นเนียแล้วเป็นท่าของกิเลสตัณหานี่มานานแล้วกิเลสตัณหาพาไปตกนรกอาบายภูมิก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติเนี่ยนั้นเนื้อจะหวนกลับไปอีกเหรอจะกลับไปทำบาปกรรมแล้ว ให้บาป ก, กรรมนำไปสู่นรกทนทุกทรมานอีกหรือเน่ยเตือนใจของตนอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นหลอกลวงคนเหญ่เพระองค์ตัดสรู้แช่งแทงตลอดด้วยอำนาจแห่งพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติรวมแล้วสี่อสงไขยปลายแสนมากับกลัวจะ กำจัดอาสวัคิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์ก็เราก็เอาพระพุทธเจ้านะเป็นตัวอย่างเป็นแบบเราตอนอย่าไปลืมพุทธคุณนะต้องหมันระลึกเสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะอ่อนแอทอแท้ไปเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้ามาเวลาใด จิตใจมันก็เข้มแข็งขึ้นอย่างนั้นอันบุคคลผู้อินทรีย์อ่อนอยู่นี่มันต้องยึดเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมออา้าระลึกถึงคุณพระธรรมอย่างนี้นะโอ้พระธรรมนี่พระองค์เจ้ า, าตราัสว่าย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วนี่นะทีนี้ ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมล่ะเอา้ากิเลสมันก็จูงใจให้ตกไปในที่ต่ําที่ชั่วก็ไปสู่ทุกข์นั่นแหละพูดง่ายๆอย่างนี้นะดังนั้นเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องปฏิบัติตามพระธรรมปฏิบัติตามศีลเอาทําศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปอ ให้เต็มที่เลยมันจะยากลำบากอะไรก็สู้ทนการรักษาศีลนนะ่ะความจริงมันไม่ยากลำบากอะไรเมื่อเราพอใจแล้วมันสบายอีกซ้านะสิ่งใดที่พระองค์เจ้าห้ามไม่ให้ทำเราก็ไม่ทำเสียอย่างนี้นะสิ่งใดพระองค์ห้ามไม่ให้พูดเราก็ไม่พูดเสียแล้วเมื่อไม่ทำไม่พูดสิ่งที่พระองค์เจ้าห้ามนั่นก็เรียกว่าไม่ทาชั่วไม่พูดชั่ว แล้วสิ่งใดที่ทรงอนุญาตให้ทแเราก็ทาลงไปแม่นจะยากลาบากก็สู้ก็ทอสิ่งใดทรงอนุญาตให้พูดให้จาเราก็พูดอยู่ในกรอบแห่งวินัยที่ทรงอนุญาตนั่นเมื <Exodus. S 1> ่อเรารีดกันความชั่วไว้หมดแล้วอย่างนี้นะเราพูดเราทาแต่ความดีพูดแต่ความดีอยู่ในกรอบแห่งธรรมแห่งวินัย เช่นนี้มันจะไม่สบายยังไงเล่าเพราะมันไม่มีบาปเกิดขึ้นรบ ก, กวนจิตใจเรามีแต่บุญกุศลล้วนๆเกิดขึ้นในใจอย่างนี้แล้วมันจะไม่เป็นทุกข์สบายยังไงเล่าที่นาดูให้ดีพระวิเนยนั่นน่ะมันก็รุวนแต่เป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสอย่างเหาไม่ให้บังเกิดครอบงำจิตใจได้เนี่ยว่า เป็นเครื่องสกัดกั้นราคะโทสะโมหะอย่างหยาบอันจะเป็นเหตุให้ไปทำบาปทำกรรมหรือเป็นเหตุให้ศึกหาราเพศไปครองเรือนสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองนี่นะถ้าพวกเขารบต่อพ่อเวไนอยู่จริงๆแล้วไม่ได้สึกอ่ะเพราะจิตใจมันสบายไม่ตกเป็นทาตแห่งตัณหานี่เช่น ข่อวินัยห้ามมาให้พูดเกี่ยวพาราสีในเชิงชู้เชิงสาวกับเพศตรงกันข้ามอย่างนี้นะถ้าเราสำรวมละระวังแล้วไม่เกาะเกี่ยวไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่เป็นสื่อทําให้เกิดราคะปัญหาหรือว่าในวินัยท่านห้ามมาให้มีความกําหนัดแล้วจับต้องกายญิงอย่างนี้นะ เราระมัดระวังเราไม่ให้เกิดความกำหนัดขึ้นในใ จ, จเจริญอาสุภกรรมาฐานให้มากๆอยู่เสมอไปจนว่าอาสุภนิมิตบางเกิดขึ้นในจิตเพ่งเวลาเวลาใดก็เห็นร่างกายใ น, นเน่าเฟื่อยผุพังไปอยู่เสมอส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วอยู่เสมออย่างนี้นะแล้วมันจะไปกำหนัดพินดีอย่างไรเล่าเมื่อมันเห็น มันก็เป็นความจริงนี่ไม่ใช่หลอกลวงอ่ะมันจะไม่จริงยังไงเวลาที่บุญกรรมยังไม่หมดเนี่ยบุญกรรมหล่อเลี้ยงไว้อัตภาพร่างกายนี่นะ่ะจึงไม่เน่าไม่เหม็นเกินประมาณแต่มันก็เหม็นอยู่นั่นแหละแต่มันเหม็นไปช่วงคราวหนึ่งแล้วมันฝุดปิดด้วยความเหม็นอันนั้นนะอย่างนี้ทัานเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี่แล้ว นอนทอดอยู่ในโรงแล้วมีแต่เน่าเปื่อยไปมีแต่ขึ้นสีเขียวคล้ำน้ำเหลืองไหลอย่างนี้นะเพ่งพิจารณาไปจนให้มันเห็นความจริงของรูปกายอันนี้ให้นิมิตแข่งปฏิกูลโสโครกของร่างกายปรากฏอยู่ในใจเสมอไปอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าอธุภานิมิต หรือว่าอุคหะนิมิตก็ว่าได้คือนิมิตติดใจหมายก็ว่าอย่างนั้นนิมิตติดตาคือตาในเนี่ยนะรนะะแสงตาเรานี่รวมมาไว้ภายในจิตใจคือเพ่งให้เห็นอสุภะนิมิตต่างๆปรากฏในใจเสมอถ้าไม่เพ่งแล้วไม่ปรากฏนะนิมิตต่างๆเหล่านี้นะให้เข้าใจ เมื่อเราเพ่งอยู่ภายในในี้เสมอแล้วมันจะปรากฏามมันชำนิชำนานเข้าไปแล้วเพ่งเวลาได้ก็เห็นเวลานั้นพอปรากฏขึ้นเวลานั้นเป็นสักขีพยานว่ารูปนี้ไม่ควรกำหนัดยินดีนี่อย่างนี้แหละฉะนั้นจะพากันเจริญให้มากสำหรับคนหนุ่มคนแน่นนี่แน่นอนนะมันต้องมีราคะตัณหามากมายอยู่ในจิตใจ แต่เราไม่เจริญอธุภะกรรมฐานดังกล่าวมานี้เราไม่ไว้ทูอํานาจแห่งราคะตัณหาไม่ไว้ดังที่เราเห็นกันผู้ที่เสื่อมจากพรมรมจันทร์ไปเยอะแยะอหมูนั้นบวดมาทั้งหลายพันสาแล้วก็ยังเสื่อมไปได้นี่แหละเรื่องโทษแห่งราคะตัณหามันก็จูงไปหาทุกข์ในโลกแล้ว ก็บวมาหลายพรรษาแล้วซึกออกไปเอาทุนร้อนอะไรก็ไม่มีจะทำการค้าการขายกับ เ, เขาจะอยู่ร่มอยู่เงากว่าอยู่ไม่ได้มันต้องไปกลาพน้นทนแดดทำนาทำสวนสรพัดกว่าจะได้เงินทองเข้าของมายาไสมาเลี้ยงชีวิตนี่มาสนุกสนาน ในการบริโภคการมะคุณผู้บริโภคการมะคุณถ้าไม่มีเงินทองเข้าของเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วไม่มีความสุขหรอกมีแต่ทุกข์พิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นหอเราเกิดมาในชาตินี้สมบัติอันมโหฬารอะไรเราก็ไม่มีเพราะจะอํานวยความสุขความสบายให้ในการบริโภคการมะคุณเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็จะไปยอมเป็นธาตุแห่งตัณหาหรือความทุกข์ทำไมแล้วเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วนะมันต้องมีปัญญาสอนตนเข้าไปสิเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วต้องมีปัญญาเหงือนนเพราะพระสาสประดาของเรามีปัญญาเพราะองค์จึงลากิเลสและกองทุกข์ได้เราผู้เป็นสาวกนี่ก็ต้องฝึกปัญญาให้เกิดขึ้น ปัญญาจะเกิดขึ้นได้กเพราะความประกอบเพราะความประกอ บ, ม, กอบมันมีอุบายแงบภายพิจารณาเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องที่จิตมันไปเกาะไปคล้องนั้นะหาอุบายมันไปคล้องสิ่งใดก็กำหนดสิ่งนั้นมาพิจารณาทำไหมมันจึงไปเกาะไปคล้อ ง, องเพราะอะไรเพ่งเวนาาดูให้มันถึงความจริงแล้ว มันไม่มีสาระแกนสารอะไรเลยบรรดารูปทางร้ายเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือรูปทำนามธรรมอย่างนี้เพ่งดูให้จริงๆแล้วมันจะเห็นว่ามีไม่มีสาระแกนสารอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็จะคลายความยึดความถือความเกาะความคล้องต่างๆไปจิตใจก็จะเป็นอุเบกขาต่อ เรื่องนั้นๆเรื่องที่มันกกอะมันคล้องมาต่อไปเมตตาได้เห็นหูได้ยินเสียงเป็นต้นมันก็เฉยบะนี้เพราะมันเพ่งวินาเห็นแล้วเพีนาเห็นแล้วว่าไม่เป็นสาระแก่นสานอะไรเลยบะนี้มาเมื่อสรุปลงแล้วว่าหากพีนาเห็นอย่างนั้นแล้ว มันสติอ่อนแอมันก็หลงก็ลืมอีกแล้วดังนั้นต้องอาศัยสติมันระลึกเสมอมันเพ่งมันกำหนดรู้ให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือรูปทมนามทรต่างต่างเหล่านี้ล้วนจะไม่มีสาระแขนสารอะไรสูโนโยเป็นของว่างเปล่าเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขา ตองเพ่งเพิจรให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้มันจึงไม่หลงจึงไม่ไปเกาะไปคล้องต่อไปถ้ามันเพ่งไปเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เพ่งในร่างกายตนเองก็เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เป็นตัวตอนอยู่นี่นะมัน มันก็เพ่งผู้อื่นก็เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เช่นเดียวกันทีนั้นมันก็เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาหรือเกลียดเกิดความเกลียดชังขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่ตนไม่ชอบใจมันก็เกลียดชังถ้าเป็นรูปที่ตนชอบใจมันก็รักก็ใคร่ขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ใช่มีแต่รักอย่างเดียวนะ เมื่อมันมีรักแล้วมันก็มีชังเป็นคู่กันอย่างนี้แหละอา้าวอย่างความรักของชายหนุ่มหญิงสาวอทิ ร, รักกันจมหูไปเลยเอาไปเอาม า, าฝ่ายหนึงไปฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งไปทำให้ไม่พอใจทำให้ผิดความประสงค์ไปวนนี้จากความรักก็กลายเป็นความโกรธ มันถึงฆ่ากันได้เลยเยอะแยะอันนี้แหะเพราะฉะนั้นความรักกับความโกรธนี่นะมันก็เป็นคู่กันกับความหลงก็เป็นคู่กันเพราะมันหลงมันถึงได้รักมันถึงได้โกรธมันหลงเพราะไม่ได้มันมันหลงเพราะมันไม่ได้มันพิจารณาไม่ได้อบรมจิตให้เกิดความรู้ยิ่ง ความรู้จริงเมื่อมันรู้จริงแล้วก็ไม่รักษาความรู้จริงอันนั้นไว้เหตุนั้นมันถึงได้หลงนี่เข้าใจอันนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นถึงความจริงของรูปธรรมนามธรรมหรือของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วอย่างนี้นะก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นพยายามรละลึกเสมอกำหนดรู้เสมอไป อย่างนั้นมันจึงสามารถรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ได้ให้พิ่งเข้าใจถ้าหากว่าปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี่จะไม่เสื่อมจากพรหมจรรย์เลยหรือผู้ครองเรือนก็ํามเล็ถ้าปฏิบัติตามกำลังคุณธรรมของผู้ครองเรือนได้สม่ำเสมอไปผู้ครองเรือนก็ไม่เสื่อมจากศิลธรรม ไม่เสื่อมจากบุญจากกูสนแต่คนโวนมากมันเกิดความประ ม, มาทขึ้นในระหว่างเมื่อทำความดีไปพูดดีไปคิดดีรู้ดีไปไปไปหนอหนึ่งมีเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาเกิดความยุ่งเหยิงขึ้นมาแล้วก็ลืมลืมความรู้ความเห็น อันที่ได้พิจารณาเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วนั้นเสียใจก็ไหลไปตามอํานาจของกิเลสเอเป็นอย่างนี้แล้วมันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ได้เลยอะนนั้นแม้จะมีอุปสรรคมากขัดขวางมากระทบกระทั่งอย่างไรอย่างไรก็ตามอที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคจะได้อย่างไรอย่างไรไปได้เพราะอาศัยความรู้ความเห็นความจริงอย่างที่ว่านั้นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของว่างเปล่าจากสัจจากบุคคลแล้วเช่นนี้เนะี่ยไอบุคคลพูดที่ยังไม่รู้แจ้งอย่างว่านี่มันก็ต้องแสดงบทบาทออกมาแบบคนถือตัวถือตนถือว่าเราว่าเขาออกมาแล้วไอผู้ภาวนาเห็นว่าไม่ใช่เราเขาถัวตนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปถือสากับเรื่องของบุคคลพูพเช น, นั้น แล้วก็ปงก็วางเลยสละออกไปไม่ยึดถือเอาอาการกิออากากปา ก, กิริยาที่เขาแสดงหยับภายร่ากาศอะไรออกมาเราก็ไม่ถือมั่นไว้เลยอย่างนี้นะนี่แต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่ยอมสละอย่างว่านี่แล้ว มันก็แสดงว่ามันถือตัน ถ, ถือตัวถือตนทุกคนเลยมันถึงได้ทะเลาะวิวาดกาันคนเรานะ่ะมันจะได้ก่อทุกให้แก่กันนี่ดันั้ น, นถ้าต่างคนต่างภาวนาให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนาัตตาตามเป็นจริงอยู่เสมอละอย่างนี้มันไม่มีที่จะกระทบกระทั่งกันจะไปะยกโทษกันไม่มีนะอ้าว มันจะมีได้ยังไงในเมื่อเราสัตละลงไปไม่ถือมันอ่ะจะถือมันไว้ทำไมมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขานี่ยถ้าหากว่าสตรัยลักษณะญาณมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถืออะไรแล้วในโลกอันนี้นะสรุปรวมความแล้เลวเรียกว่าไม่ถือดีไม่ถือชั่วเมื่อเข้าไปสู่ ประมิต ธ, ธรรมไปแล้วดีก็ละชั่วก็ละอื็นอย่งนั้นอ้าวละดีแล้วจะเอาไงอ่ะจ้าอะไรเป็นที่พึ่งว่าจีว่าอ้าวละดีแล้วก็เข้าสู่ความจริงสิแบบ น, นี้นะเนี่ ย, เ, ยเอาความจริงแล้วเป็นที่พึ่งนะอ่ะละชั่วแล้วให้ความชั่วมันก็ดับไปจากกิจใจแล้วใจก็ย่อมผ่องใสย่อมปลอดโปร่ง นี่เราละความดีอย่างโรค ล, ก, ล ก, กันเสียแล้วเข้ามาสู่ธรรมของจริงเข้าไปแล้วเช่นนี้นะจิตใจนี่มันก็จริงเสมอไปแบบนี้นะมันก็หนักแน่นมันก็ตั้งมันม่นเสมอไปตั้งมั่นอยู่ในความจริงเมื่อใจจริงอย่างนั้นแล้วอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวแบบนี้ดีกระทบมาก็าไม่หลงไหลไปตามดีชั่วกะทบมาก็าไม่หลงไหลไปตามชั่ว อ่าอย่างนี้นะขอให้เข้าใจกันการภาวนาปฏิบัติธรรมความมุ่งหมายให้ทำจิตใจให้เป็นไปอย่างว่านี้มันถึงจับพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาไปได้อันนี้มันก็ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยแต่เมื่อบุคคลรู้แนวทางอยู่แล้วนะก็พยายามดำเนินไป เช่นอย่างว่าเราทำจิตให้รวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้ครั้งหนึ่งอย่างนี้นะเราก็จะพิจารณาเห็นจิตอันนั้นแล้วว่ามันไม่ยึดดีไม่ยึดชั่วอะไรเลยมันทึงรวมลงเป็นหนึ่งลงได้ถ้ามันยึดตีอยู่เช่นอย่างว่าไปพิจารณาถึงความดีที่ตนทามาอยู่ยนั้นแล้วก็ยินดีพิติอยู่ในความดีที่ตนทาอยาู่นั้น เช่นนี้นะ่ะมันก็ชีดความดีไป ม, มันจะรวมลงได้ยังไงบ่อนี้นะนั่นเนี่ยมันต้องละวางความยินดีในความดีอ น, นั้นเสียก่อนความชั่วก็สละออกไปแล้วไอ้จิตนั้นมันจึงรวมลงเป็นหนึ่งได้เมื่อมันรวมเป็นหนึ่งแล้วไอ้ความดีที่ตนทํามานั้นมันก็รวมเข้าไปอยู่จุดเดียวกันนั่นแหละมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นให้เข้าใจ พยายามทำความเพียรเข้าไปให้ถึงจุดแห่งความไม่เสื่อมให้ได้แน่นอนนะผู้ใดทำผู้นั้นรู้เองเนี่ยเรื่องนี้นะผู้ใดทำให้เป็นไปได้ก็รู้เองใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะต้องรู้ด้วยตนเองถ้ามันไม่รู้มัน ทำใจลงไปไม่ได้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงมันก็รู้ไม่ได้แต่ว่ามันต้องทําบ่อยๆในการทําจิตใจให้รวมลงสงบลงไปมันก็จึงหนักแน่นมันจึงจริงจังลงไปได้อื <c oughs> ถ้าหากว่าทําไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างอย่างนี้แล้วมันเปลียนไปไม่ได้อืให้เข้าใจ ต้องทาให้มันต่อเนื่องกันไปอา้าวจะเอาเวลาไหนมาคิดอ่านการงานหรือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วคิดการงานทั้งหลายก็คิดได้คิดอยู่ในความสงบนั่นแหละไม่ใช่คิดคิดอยู่ในความพุ่งซ่านเสียใจดีใจอะไรไปทถอน้องมันคิดไม่ได้ ถ้าคนเราหักดีใจเกินไปเสียใจเกินไปแล้วคิดอะไรก็ไม่ออกหรอกให้เข้าใจคุยคิดอ่านกางงานอะไรได้ทั้งทางโลกและทางธรรมต้องมีใจสงบลงไปชั่วขณะหนึ่งเช่นนั้นจึงค่อยคิดได้อ น, นี้เรามุ่งหวังว่าเพลิดเพนมาสงบสม่ำเสมอไปแล้วมันถึงอยากเข้าถึงความจริงได้ เมื่อเข้าถึงความจริงแล้วมันก็จะรักษาความจริงอันนั้นไว้ได้อ่าอย่างนี้เข้าถึงความจริงออย่างหนึ่งบรรลุความจริงอย่างหนึ่งนี่เข้าถึงความจริงหมายความว่ารู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไ้ยเช่นอย่างว่าเรารู้ว่าเมื่อบุคคลละตันหาได้หมดแล้วความทุกข์ทางใจก็ดับไปหมดอ่าอันนี้มันก็เรียก ว, ว่า เข้าถึงความจริงอันหนึ่งแหละวันนี้เพราะความเห็นมันลงสู่ความจริงอยู่แล้วแต่ว่าผู้นั้นยังละตัณหาไม่หมดอย่างนี้นะเราก็พยายามละตัณหาไปเมื่อตัณหาหมดสิ้นลงไปแล้วก็บรรลุถึงสัจธรรมความจริงแล้ววันนี้ก็ไม่มีการรักษาแล้ววันนี้นะไม่มีการรักษามันก็จริงอยู่ในตัวมันแล้วไม่มีกิเลส ตัณหาหรือความดีความชั่วอะไรจะเข้าไปแทรกถึงเข้าไปในความรู้จริงอันนั่นได้เลยนี่แค่จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติทำในพุทธศาสนาความภาคเพียรพยายามดังกล่าวมาแล้วตอนต้นนั่นนะ่ะเรียกว่าเมื่อเราเอาทุกข์เป็นทุนมันจะยากลำบากไงเราก็สู้ ทนอดขั้นไปทำความเพียรไปเมื่อใจมันรวมลงมันสงบลงได้ขั้นหนึ่งอย่างนี้นะความทุกข์ความลำบากในการทำความเพียรมันก็เบาลงไปหน่อยหนึ่งทำความเพียรไปจิตใจรวมลงตั้งอยู่ได้นานสักหน่อยนี่ความเพียรทั้งหลายมันก็เบาลงไป อ่าเป็นอย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้กลากรำลําบากเหมือนอย่างที่จิตใจยังไม่สงบยังไม่รวมนั้นอ่ะแต่เมื่อทำํำบ่อยๆเข้าไปจิตใจมันตั้งมั่นเป็นปกติได้แล้วเช่นนี้ไม่ว่าอิริยาบถไหนยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีมันก็รู้ตัวอยู่ว่าจิตใจสงบอยู่ คือสงบจากราคะความกำหนัดกินดีไม่มีสงบจากโทสะความโกรธความวยาบาทกรองร่างจรองผานผู้อื่นไม่มีสงบจากโมหะการที่จะหลงเห็นผิดเป็นชอบไปยัอย่างอื่นก็ไม่มีนี่ เ, เมื่อเมื่อตนเห็นตนอยู่นี่ จิตเห็นจิตว่าไม่กีเลสตัว น, นี้ครอบความจิตใจไม่ได้อย่างนี้นะอะความสงบมันก็สมมเสม อ, สมอไปแม้ว่าจะคิดอ่านการงานอะไรบ้างมันก็ไม่ได้เสื่อมความสงบนั้นมันก็ไม่ไม่ถอนมันก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแหละนัคําที่ว่าจิตถอนจากธรรมที่นั่นนะหมายความว่าจิตถอนไปสู่อารมณ์แห่งความรัก จิดถอนไปสู่อารมณ์แห่งความชังจิดถอนไปสู่อารมณ์แห่งความหลงความมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อ่อย่างนี้นะขอยพากันพิจารณาดูให้ดีไอ้ผู้รู้แจ้งทั้งหลายแล้วจะไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่ท่านก็คิดอยู่นั่นแหละท่านแต่ท่านคิดอยู่ในความสงบอยู่ในความรู้เท่า คิดอะไรแล้วก็แล้วไปไม่ยึดถือไม่เสียใจไม่ดีใจกับเรื่องสมหวังและไม่สมหวังอ่าจะได้อะไรมาสมหวังมากมายก็ไม่ดีใจจิตใจก็เป็นกลางอยู่ออะไรเสียหายไปผิดหวังไม่ได้สมหวังก็ไม่เสียใจเพราะเห็นแจ้งอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน แล้วจะให้มันได้สมหวังอะไรมาทุกอย่างจะได้มาแต่ที่ไหนในเมื่อสิ่งนั้นนั้นไม่เป็นของไม่เป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนแล้วไอความรู้ความเห็นอันนี้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอแล้วอย่างนี้มันก็ทำความรู้สึกอันนี้ให้สม่มเสมอไปได้ใ่ต้องให้เข้าใจคำว่าจิตเป็นสมาธิสม่มเสมอไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละ คำว่าจิตถอนจากสมาธิกดในชี้แจงให้ฟังแล้วแต่ถ้าหากว่าจิตคิดไปในเรื่องราวต่างๆแล้วความรู้สึกก็เฉยๆไปไม่ยินดีนร้ายกับความคิด น, นั่นๆอย่างนี้นะมันก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรมันไม่ทําให้จิตเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรคิดไปแล้วมันก็วางไปวางไปไม่ถือมั่นไว้เช่นนี้แล้วมันก็มันก็ไม่มีพิษอะไรนะ่ะอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะ แต่เมื่อถึงเวลาทําความสงบแต่ต้องสงบให้ได้นะไม่ใช่อย่ไปคิดอย่างนั้นเรืออเ่อยไปไม่มีหยุดจังอันนั้นก็ไม่ถูกอีกแล้วถึงเวลาทําความสงบก็สงบลงให้ได้อย่างนี้เมื่อเราพักจิตลงได้อย่างนั้นแล้วมันก็รู้ว่ากำลังสมาธิของตนน่ะไม่เสื่อม ยังเป็นปกติอยู่ยงี้นะแต่ต่อจากนั้นไปก็อาศัยสมาธินั่นแหละใช้การใช้งานใช้คิดใช้วิจาร์อะไรต่ออะไรทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนี่เมื่อมันใจมันตั้งมั่นล้วิจารอะไรไปมันก็รู้เท่าไม่ยึดถือรู้เรื่องแล้วก็ปล่อยวางเรื่องนั้นไป มันจะได้สมหวังหรือไม่สมหวังก็แล้วแต่เรื่องมันไม่ต้องไปเมาเศร้าโศกเสียใจคับแคนใจกับเรื่องสมหวังและเรื่องผิดหวังต่างๆในโลกนี้เราพยายามฝึกใจไปอย่างนี้นะขอให้เข้าใจกันถ้าพยายามไปอย่างนี้แล้วนับว่าเราเดินถูกทางสายกลางทางมัชฌิมาปฏิปทา ย่อมไม่ผิดทางแน่นอนเลยดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วค่อยพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่ก็จะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากพรหมจรรย์ถ้าเป็นนักบวชพอดีถ้าเป็นครือขัดก็จะไม่เสื่อมจากศีลจากธรรมจากบุญกุศลคุณธรรมก็จะเจริญ ขึ้นใน จ, ใจิตใจเรื่อยๆไปดังแสดงมาการเรียนรู้นะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องสนใจถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้อืนนี้นะพรกขคมรู้อันนี้นะมันเป็นเครื่องสอนใจให้ ถอนตัวออกจากวัฏฏะทุกอันนี้ น, นี่แต่บางคนความรู้มีอยู่แต่ไม่เอามาสอนจิตใจตัวเองมันก็ใช้ไม่ได้ให้เข้าใจถ้าผู้อื่นสอนมันก็ได้เป็นข้างเป็นข่าวเท่านั้นแหละไอ้ส่วนตนนี่นะสอนตอนนี่ได้ทุกเมื่อเลย ให้เข้าใจแต่ว่าเมื่อตนไม่เรียนไม่รู้ไม่มีอุบายก็ไม่ทราบวิธีไปสอนตนยังไงเอาอุบายอะไรมาสอนตนนี่แหละธรรมดาผู้ที่สอนตนได้มันต้องมีอุบายแยบภ า, ายในใจสอนตนเข้าไปอย่างนี้ เหมือนอย่างท่านพระจักขุปานนันพระจักขุปานนั้นท่านสมทานไม่นอนสามเดือนถึงระหว่างกลางวันษาท่านเจ็บตาชาวบ้านก็เชิญหมอมาตรวจเริ่หมอก็ปุงยาตาให้หยอดคราวนี้ท่านท่านไม่นอนหยอดท่านนั่งหยอดเอาตามันก็ไม่หาย เมื่อไปวินบาดหมอใส่บาตรแล้วถามพระคุณเจ้านอนหยอดยาหรือว่านั่งหยอดท่านก็ไม่ตอบเสียงอย่างนี้นะไปตอ่อด้วยหมอก็ไปสังเกตการณนะ์ที่กุศลของท่านออไม่เห็นที่นอนเลยเห็นแต่ที่นั่งอ น, นี่จึงได้รู้ได้ว่าท่านไม่นอนนะถ้าไม่นอนหยอดตาท่านนั่ง มันผิดตำราของหมอวะนี่หมอว่าต้องนอนหยอดมันยังจะหายท่านได้ตั้งความสัตย์ลงแล้วว่าท่านจะไม่นอนท่านจะใช้ไอรียบทสามนั่งหนึ่งยืนหนึ่งเดินหนึ่งเท่านั้นเว้นอิริยะบทนอนเมื่อเป็นเช่นนี้หมอก็เลยมาบอกเลิกต่อไปนี่ก็ผมจะไม่ดูแลรักษาท่านแล้ว เมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอแล้วผมก็รักษาไม่ได้วันผมก็ต้องเลิกภัยแล้ววันภายหลังมาท่านก็นั่งสอนตัวเองดูก่อนรัฐบาลเธอนะเธอก่อนดูก่อนจกักรกุปานบันนี้หมอทอดทิ้งเธอแล้วนะหมอไม่ช่วยเหลือรักษาตาให้แล้ว มาเนี่ตนเองต้องช่วยตัวเองนะอ่าช่วยยังไงอ่ะเอาตานอกมันบอดครับมันบอดไปแต่เราทําตาในาให้มันสว่างนี่ถ้าก็สอนตวัวเขาอย่างนี้เพราะตานอกนี่มันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะตั้งแต่ชาติก่อนนั้นท่านเป็นหมอวางยาคนไข้ร า, ายหนึ่งเขา เขาหายโรคแล้วแต่เขาโกหกเขามาอยากเสียเงินเขาโกหกหมอว่าสายตายังไม่หายอย่างนี้นะเออถ้าไม่หายในยายังไม่ถึงมันหมอก็แต่งยาแรงๆมาให้หยอดพอหยอดเข้าไปแล้วตาก็เสียเลยตาบอดไปเลยคนนั้นนะกรรมนั้นแหละตามมาสนองอ ทำไม่ตาท่านบอดไปเลยถึงหมอวิเศษจะในรักษาก็ไม่หายถ้ากรรมเวรมันตามให้ผลแล้วไม่มีทางหายดัยงนั้นท่านจึงทำตาในคือตาปัญญาตาใจเนี่ยให้สว่างมองเห็นทุกภัยในสงสารนี่ มองเห็นความเกิดขอเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ถ้าใครยังไม่มองเห็นความทุกข์มีความเกิดเป็นต้นดังกล่าวมานี้ผู้นั้นก็จะไม่พยายามสเสาะหาทางพ้นจากทุกข์ยังมองเห็นว่าการได้ขันห้านี้มานี่มันเป็นสุขสบายดีกินก็ได้นอนก็หลับอย่างนี้นะแล้วก็ ตั้งความเพิดเพลินเจริญใจอยู่กับชีวิตที่กําลังเยอะเจริญไวใหญ่โตมาเอสําคัญว่าตนนั้นมีความสุขสบายไม่มีทุกข์นี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทเพราะว่าเมื่ออยู่ไปอยู่ไปแล้วทั้งฐานอันนี้มันไม่ใช่ยั่งยืนอยู่ได้มันก็ต้องชารุดชดชมไป เมื่อธาตุสี่ไม่พองรองสามัคคีกันชำระทุตโมแล้วโลกภัยก็เบียดเบียนเป็นอยงนั้นเจ็บโน่นปวดนี่อะไรต่ออะไรสรพัดรประดังประเดเข้ามาในร่างกายอันนี้นี่วันนี้ไม่ไม่มีปัญญาจะสอนตัวเองได้แล้วเพราะว่าตนเองประมาท เวลายังดีอยู่ไม่ไม่หาอุบายปัญญาไม่ฝึกฝนจิตใจมีแต่ปล่อยใจให้ลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นเ mm. มื่อเวลาความเจ็บความป่วยมาถึงเข้าแล้วมันไม่รู้ว่าจะแก้ไข ย, ยังไงบ้านี่ mm. ความรู้สึกภายในจิตใจนั้นไม่สบายเลยมีแต่ร้อนมากหนาวมากเจ็บมาก โย่อย่างนั้นหาปกติไม่ได้ก็เลยเสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นจนกลัวจะตายนี่แหละอันบุคคลผู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภายในสงสารแล้วก็จะได้ประสบความทุกข์ในภายหลังมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นภายในสงสารแต่เวลายังมีกำลังเลี่ยวแรงดีอยู่เนี่ย เอาไปทำความเพียรเข้าไปสิวะนี้นั่งภาวนาให้นานนะมันเจ็บมันปวดก็อดทนเอาแล้วก็สอนจิตนี่แหละความทุกข์นายเห็นไหมนี่ความเจ็บเป็นอย่างนี้แหละชอบใจไหมอย่างนี้นะถามตนเองดูใครจะไปชอบความเจ็บความโปรดทั้งหลายไม่มีใครชอบแต่ไม่ชอบก็ได้ก็ได้พบเพราะร่างกายนี่มันไม่เที่ยง เมื่อบถึงทาวิบัติมามันก็เจ็บก็อปวดดังนั้นนะขอพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์จะเสด็จออกบวชพระ อ, องค์ก็มาพิจารณาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี่นําเป็นทุกข์หลายเกิดกี่ชาติก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละอืทุข ก, ก็สุขนิดนิดหน่อยหน่อยไปทุกข์น่ะหลายกว่าสุขในชีวิตนี้ ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความทุกข์เนี่ยมากกว่าความสุขมันถึงเบื่อมันจึงเบื่อจึงหน่ายขันทางห้าอันนี้ถ้าไปพี่นาเห็นว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์เช่นนี้แล้วมันก็ไม่อยากหนีจากโลกสงสารอันนี้แล้วมันก็ยินดีพอใจอยากอยู่ บางคนกอ็อาลกคนไม่รู้นะเออทำนาไว้ทำสวนไว้ไม่ดีเผื่อว่าตายไปแล้วมันก็จะได้เกิดมาอีกมากินมาใช้มาจาย อ, อ, อย่างนี้ก็มีเลยคนบางคนซึ่งไม่รู้นั่นแหล ะ, ะ, ะนึกว่าเข้าใจว่าเมื่อตอนตายไปแล้วมันก็คงมาเกิดอีกอยู่นี่นะ มันห่วงอยู่นี่มันก็มักเกิดอาศัยทรัพยากรเหล่านี้นะเป็นอยไอ้ผู้เช่นนั้นนะ่ะแน่นอนแล้วไม่มีความสุขสบายได้แล้วเขาเกิดมาแล้วก็มาพบทรัพยากรแล้วก็ห่วงห่วงอ่าแต่เห็นบางคนอนะ่ะอ่าจะเลือกดูผลไม้มันสุกมันหล่นลองเนี่ยคนจะมาเก็บไปกินไม่ได้เลยด่าว่า อ, อ้าอ่า ทะเลาะวิวากับเพื่อนบ้านเพราะความหวงเห็นนั่นเองนะความเสียสละไม่มีในใจเลยแล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องบําเพ็ญตนเป็นนักเสียสละอะสิ่งใดมันมันเป็นไปแล้วก็ให้มันเป็นไปซะอย่าไปเมาฟื้นคืนมาพิทักษพิจารณให้เสีย อ, อก ใจอยู่งั้นไม่ต้องเก็บออกมาเมื่อวันผิดมันพลาดไปแล้ววันแล้วไปมันผิดหวังอันใดแล้วก็เลีวไปไม่ต้องไปวิตกวิจารเสียอกเสียใจกับความผิดหวังนั่นนั่นนี่เป็นหน้าที่เราจะต้องฝึ ก, กจิตใจทุกคอนเพราะว่าแน่นอ น, น, นเราต้องผิดหวังแน่ในชีวิตนี้นะ มันจะสมหวังได้ยังไงแล้วอยู่ไปนานไปก็แก่ไปชำรุดไปอย่างนี้นะแต่ความประสงค์ล่ะก็ต้องการในร่างกายนี่กระชุ่มกระชวยหนุ่มแน่นอยู่เหมือนเดิมไม่อยากให้มันวิบัติทรุดโทมอะไรไปเลยฮ่อย่างนี้เมื่อเมื่อมีอุปท า, านอยู่นั่นนะ่ะถึงเวลามันทรุดโทรมไปมันก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้วอ่า เป็นทุกข์แล้วก็อย่างนี้นะให้พากันพิจารณาดูให้ดีแม้ว่าเรายังจะไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยเราก็ต้องเพสจรารณาร่วงหน้าไว้เสมอแน่นอนและวันนี้ไม่เจ็บวันหน้ามันเจ็บวันหน้าไม่เจ็บเดือนหน้ามันก็เจ็บได้อไม่เจ็บเดือนหน้ามันก็เจ็บปีปีหน้าปีต่อไป แน่นอนะคนเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ตายเหตุที่มันตายเนื่องกับเพราะมันเจ็บป่วยร่างกายอันนี้ทุดโทมไปธาตทั้งสี่แตกตมสมัคคีกันเช่นนี้มันถึงได้ล่มตายหายจากโรกอันนี้ไปกราต้องพิจารณาอย่างนี้ไอ้ความที่จิตใจไม่รู้เท่าแล้วมัน กระซับกระส่ายวุ่นวายเสียใจเศร้าโศกไปในะอันนี้แหละความทุกข์ใจอันนี้ให้เข้าใจถ้าผูดด้ใดว่าได้ภาวนาอยู่ได้มี ส, สติสมัชยญญะประคับประคองขิตจตั้งมั่นอยู่เวลาภัยพิบัติดังกล่าวมานั้นมาถึงเข้าก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจก็กำหนดรู้อยู่ว่ามันมันไม่ใช่ของเรา มันบังคับไม่ได้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันสังฐานร่างกายอันนี้อย่างนี้นะเมื่อไม่ใช่ของเราเลยจะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทําไมก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจตัวเองไปอย่างนี้นะมเมื่อสอนจนอยู่นี้บ่อยๆเข้ามันก็ทําให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาในเรื่องความทุกขนะ์อันนี้อเรื่องทุกข์ นี่ทุกข์กายนี่เราบังคับไปได้เลยแต่ทุกข์ใจนี่เราแก้ไขได้ก็แก้มันอย่าไปถือเอาธาตุีกันห้ามาเป็นตัวเป็นต น, ตนให้เป็นแต่สภาวิธัสสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยแล้วมันก็ดับทำลายลงไปเท่านั้นเองก็มีเท่านี้แหละ ให้ความจริงของร่างกายเมื่อเราใช้ปัญญาสอนจิตนี่เสมอไปจิตมันรู้มันเห็นตามปัญญาแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสีย ใ, ใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนอันนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้เท่าทุกข์จิตใจก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์แต่ร่างกายดังนั้นขอให้ทุกข์แต่ร่างกายสะใจอย่าให้เป็นทุกข์อืม ให้กระทําอุบายเงียบคาในใจส้อนใจเสมอๆอย่างนี้เพราะว่าทุกคนจะต้องได้เผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้หลีกไม่พ้นจริงๆเลยแม้นจะอายุยืนไปร้อยปีก็ไม่พ้นนะไม่พ้นแก่ไม่พ้นเจ็บไม่พ้นตายอืมหรือว่าเลยนั่นไปอีกก็ไม่พ้นนะนั่นเอง เมื่อบุญเก่าหมดแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องตายแคนั้นใ ห, ให้พากันทำในใจลงไปให้กำหนดรู้ว่าไม่มีใครตายมีทธะธาตุสี่ข้างหน้ามันแยกมันแตกออกจากกันเท่านั้นแหละให้กำหนดรู้เห็นอย่างนี้อา้าวดวงจิตนี่แล้วเอาดวงจิตก็เป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นแหละ มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ตายนะไม่ได้ตายมันมีแต่ธรรมชาติรู้อยู่เท่านั้นล้วจะใช้ปัญญาสอนความรู้อันนี้นะให้มันรู้เท่าความแปรปลีนของร่างกายอันนี้เสียแล้วจิตนี้มันก็มาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วไป ภาวนาซ้อนใจตัวเองอย่างนี้เสมอๆไปซ้อนบ่อยๆเข้ามันก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นมันรู้เท่าแล้วมันก็จะพ้นจากทุกไปได้สักวันหนึ่งดังแสดงมาขอจบตรงเท่านี้